เนี่มาขึ้นข้อความในมหาปริณิพานสูตรอันนี้เรียกว่าเตียงสุดท้ายและในหน้า306ข้อ128ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับท่านพระอนลนว่ามาเถิด อ, อนุนเราจะไปยังฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำหิรันวดีเมืองกุสินาราและสารวันอันเป็นที่แวะพักแห่งมลลกษัตริ์นะก็ เรียกว่าเข้าไปนู่นป่าสารวันท่านพระนรนก็ทูลรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสองหมูใหญ่สเสด็จไปยังฝั่งโน้นแห่งแม่น้ําหิรันวดีเมืองกุสินาราและสารวันอันเป็นที่แวะพักแห่งมลรคสัตยร์พระองค์ก็ตรัสรับสั่งกับท่านพระอนรุนว่าเธอจงช่วยตั้งเตียงให้เราแล้วก็หันศีรษะไปทางทิศอุดร ระหว่างไม้สาระทั้งคู่เราเหนื่อยเราจักนอนระหว่างสาระทั้งคู่เขาเรียกว่าหัวเตียงก็ต้นสาระต้นหนึ่งท้ายเตียงก็เป็นสาระต้นหนึ่งพระองค์นหันจากหันศีรษะไปทางทิศเหนือคำว่าเหนือก็คือมุ่งถึงว่าพระองค์นั้นพ้นจากโลกแล้วเนี่ยนะคือพระองค์ต้องการบอกแม้แต่ศีรษะของพระองค์หันไปก็บอกว่าพระองค์พ้นจากโลกแล้วพระองค์ข้ามโลกเสร็จแล้ว พรงคล่วงพ้นโลกพันเรียกว่าอุดอรนอุตระเนี่ยนะอุดอรนก็คือทิศเหนือทิศเหนือเนี่ยเป็นทิศที่พ้นทุกข์ทั้งปวงครัว่างั้นนเพันประกาศถึงว่าพ้นแล้วสูงที่สุดพ้นที่สุดเรียกว่าพ้นจากโลกทั้งปวงแล้วพระนนก็ทูลรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งเตียงหันพระเสียนไปทางทิศอุดอรระหว่างไม้สาระทั้งคู่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงสําเร็จศีรษะสายยาโดยพระปรกเบื้องขวา สรงสอนพระบาทด้วยพระบาทมีพระสติสัมปชัญญะเนี่ยนะก็ถือว่าอะไรนะเตียงสุดท้ายในอัตถกาหาน่าสี่ร้อยสิบสี่บทว่ามหาตาพิคุสังเคนะสั์พิงก็บอกว่าจำนวนของพระพิสุที่ติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปในตอนนั้นเนี่ยหาประมาณไม่ได้กำหนดไม่ได้เยอะมากเลยนะพิสุหลายแสนว่างนั้น คือพอได้ทราบว่าจำเดิมแต่พระองค์ข่มเวทนาที่เวลุวะคามไม่นานนักแล้วรู้ต่อไปอีกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจากปรินิพานไม่นานถัดจากนั้นพระองค์จัปรินิพานบรรดาภิกษุที่มาจากที่นั้นนั้นไม่มีแน้แมแต่ภิกษุรูปเดียวชื่อว่าจะหลีกไปนะเมื่อไปอยู่ใกล้แล้วก็ทราบข่าวว่าพระองค์จัปรินิพานก็ไม่รู้จะรีบไปไหนก็ติดตามพระองค์ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น ถ้าภิกษุสองนิมจึงมีจำนวนนับไม่ได้เยอะมากอะนะเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยแล้วก็บอกโอ้ยมันจะเยอะขนาดนั้นหรอเนี่ยนะใครไปอินเดียแล้วจะรู้ว่าประชากรเนี่ยเยอะจริงๆว่างั้นเน่ยบอกว่าเป็นไปได้ทั้งนั้นเน่บทว่าอุปวัตตนังมูลานังสารวนังเนี่ยนะความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจากฝั่งข้างโน้นแห่งแม่น้ำหิรันบดีสู่สารวนโนทยานเหมือนออกจากฝั่งแม่น้ากลัมทนที ไปยังถูปารามทางประตูวัดของพระราชมารดาในสารวันนั้นอยู่ที่กรุงกุศินาราเหมือนถูปารามของกรุงอนุราธปุระทางเข้าพระนครโดยทางประตูด้านทิศทักษิณแต่ถูปารามนั้นบ่ายหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วเลี้ยวไปยังทิศ อ, ดอุดรฉันใดสารวันพระราชจุยานบ่ายหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วเลี้ยวไปทางทิศอุดรฉันนั้นเพราะฉะนั้น สารวันนั้นท่านจึงเรียกว่าอุปวัตนะทางโคง้งคือเมืองเมืองอนุราทัปุระเนี่ยถูปารามถูปารามก็คือเจดีมีเจดีอยู่เจดีหนึ่งเรียกว่าเจดีถูปารามเป็นที่ประดิสถานพระอะไรนะกระดูกพระอุระนะกระดูก อ, อกไหมของพระพุทธเจ้านะที่ถูปารามอะ่ะที่ที่เราไปสวดมนต์ที่ไปสวดชักกระสูตรกันะนะที่ศีลังกาท่านก็เปรียบเทียบ ว, ว่าเมืองกุสินารา ก็คกล้ายๆกับเมืองอนุราธัุระที่ประเทศศรีลังกานะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยคนที่เขาเรียนปั๊บเขาเข้าใจเลยว่ากุสินารานั้นเหมือนกับอนุราธาปุระอย่างไรสวนเหล่านั้นคล้ายกับถูปารามอย่างไรเนี่ยนะเขาเข้าใจแต่ของเราก็ไปถึงก็แหมซากเมืองเก่าทั้งคู่กุสินาราก็เมืองเก่าแก่เหลือเกินเก่าแก่แก็รวสองพันกว่าปีแล้วก็อนุราทัุระก็เมืองพิพิธภัณฑ์อย่างนั้นเถอะ ต้องซื้อตั๋วเข้าชมไปดูของเก่าวะไงน้นก็เมืองพิพิธภัณฑ์ไปแล้วบทว่าอันตเรยมกะสาลานังอุตราศีสกังความว่าได้ยินว่าต้นสาระแถวหนึ่งอยู่ทางหัวพระแท่นแถวหนึ่งอยู่ทางท้ายพระแท่นในแถวต้นสาระนั้นต้นสาระรุ่นต้นหนึ่งอยู่ใกล้ทางส่วนพระเศียนต้นหนึ่งอยู่ทางพระบาทอีกต้นหนึ่ง น, นะก็เรียกว่าเป็นลำต้นที่ เ, เรียกว่า อ, นนะอยู่ทางหัวต้นหนึ่งทางท้ายกระคู่สาระบอกว่าที่บอกว่าอานทน์เธอจงช่วยตั้งเตียงให้เราแล้วก็หันศีรษะไปทางระหว่างไม้สาระทั้งคู่เราเหนื่อยเราจาักนอนพูดถึงกำลังของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีกำลังมหาศาลถ้าพูดแบบช้างมนุษย์ธรรมดาทั่ ว, วไปเนี่ยนะได้เท่ากับมนุษย์เท่าไรแสนโกดเท่ากับช้างประมาณพันโกด แต่กําลังเหล่านั้นทั้งสิ้นก็หมดไปเหมือนน้ําที่ใสลงไปในหม้อ ก, กรองฉะนั้นกําลังนี่หมดไปเหมือนเทน้ํารากเข้าไปในทรายอ่ะนะเคยเทน้าําใส่ทรายไหมน้ํามันหมดไปน้ำมันจะเยอะขนาดไหนถ้าเอาไปเทลงทะเลทรายอ่ะก็ถูกซับไปหมดฉันใดพระพุทธเจ้าเองก็สิ้นกําลังหมดเรี่ยวหมดแรงฉะนั้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่นครปาวาถึงกุศินาราระยะทางประมาณสามข่าวุธสามขาวุธก็ประมาณสัก สิบสองกิโลเนี่ยนะหนึ่งขาวุิก็ประมาณสิบสี่ประมาณสี่กิโลสามาวุิก็สามสี่สบสองสิบสองกิโลเนี่ยพระพุทธเจ้าพักประทับในระหว่างทางเนี่ยพักยี่สิบห้าครั้งเนี่ยแปลว่าสิบสองกิโลใช่มสิบสองกิโลเนี่ยประมาณสักครึ่งกิโลพักครั้งหนึ่งนะครึ่งกิโลเมตรพักครั้งหนึ่งประมาณห้าหกพักห้าหกร้อยเมตรก็พักห้าหกร้อยเมตรก็พักแัดงว่าหน่วยมากเลยนะ เดินเหนื่อยปกติเนี่ยพระพุทธเจ้าเดินสี่สิบห้าโยดวันเดียวดนะเดินกว่านี้ได้เป็นร้อยเท่าว่างั้นเถอะเดินกว่านี้ได้เป็นร้อยเท่าพันเท่าแต่ว่าวันนั้นเนี่ยร่างกายเนี่ยหมดแรงจริงๆเลยนะถ้า ต, ตอนนี้ก็แทบจะแครบอกหามขึ้นเตียงน้อยแล้วนะสมัยใหม่อาจจะมีรถพยาบาลไปรับแล้วนะแต่ว่าแค่บอกคนละยุคกันพระองค์ก็เสด็จมาด้วยพระอุตสาหะใหญ่เข้าไปในสารวัตร สาวนโนธยานในพระอาทิตย์ตกเดินทางสิบสองกิโลเมตรเนี่ยใช้เวลาแปดเก้าชั่วโมงนะนี่ว่าพรบค่ำเลเนี่ยจนยจนไปถึงโนอนสาวนโนทยานเสร็จแล้วพระโรคนั้นก็ทำลายความไม่มีโรคนั้นเสียสิน้นเ้าเรียกอะไรความแก่ชราทำลายความเป็นหนุ่มเป็นสาวความตายทำลายชีวิตฉันใดพระองค์ก็ถูกโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนกาลังที่เคยมีอยู่ ให้เสร็จสิ้นไปอย่างรถสวยๆเนี่ยสีสวยๆดูงามเนี่ยถ้าลองสีกระเทาะหมดแล้วนะความสวยงามไปอยู่ที่ไหนหมดคนที่เคยงานถ้าถูกน้าร้อนลวกไปเลยเนี่จะเป็นยังไงะนะถูกไฟลนเป็นต้นเนี่ยมันก็อะไรที่มันเคยดีเนี่ ย, ยก็เหมือนการพระองค์เนี่ยเคยมีพะ ล, ะลังกาลังแต่อย่าลืมว่าสังขารทั้งหลายถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นปัจจัยบางอย่างเข้ามาแทรกก็หมดสภาพแล้วเนี่ยนะ เมื่อจะทรงแสดงความที่พระองค์นั้นตรัตวาจะให้เกิดความสังเวชแก่สัตว์โลกจึงบอกว่ากิลันโตสเมหานันทะนิปชิตสามิอนุนตถาคตลำบากนากักตถาคตเหนื่อยมากตถาคตจะนอนละเนี่ยนะเหนื่อยแล้วขอนอนก่อนเนี่ยนะมันเวลาที่เราเหนื่อยเรบอกเออนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะต่างกัน ร, ร่างกายเราเหนื่อยเหมือนกันแต่ใจพระองค์ไม่เหนื่อยใจของพระองค์ก็มีสติสัมปชัญญะ พร้อมที่จะเข้าฌานได้เสมอแต่ถ้าเทียบกับสัตว์ทั้งหลายแล้วก็อ่นนะกายก็แทบจะหมดสภาพใจล่ะก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะทีนี้กลายเป็นว่ า, าถ้าเป็นของพวกเราทั้งหลายก็มานั่งห่วงหน้าผวงหลังคนโน้นมาไม่หรือว่าคนนี้ ม, มาอเป็นต้นเนี่ยเตียงสุดท้ายของเราเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราจะไม่ได้ลุกอีกต่อไปเราจะทำอะไรนนะทาอะไรดีอะ ถ้าให้เวลาประมาณสิบสองชั่วโมงเตียงแล้วบอกว่าผ่นรับดักนี้ถอยหลังไปสิบสองชั่วโมงเลยนะจะคิดอะไรดีอิติปิ โ, โสได้สมรอบรึเปล่าก็ไม่รู้นะคุยกับลูกคุยกับญาติคุยกับร้านคุยกับเพื่อนคุยเรื่องอะไรอ๋อเนี่ยนะเพราะหมายก็ว่าเขาจะอะไรนะรนักโทษประหารหนัไนเงี้ย ประหารชีวิตในวัฏฏะอีกสิบสองชั่วโมงจะตายเนี่ยจะทาอะไรดีนี่ก็เหมือนกันนะพระองค์เนี่ยประทับนอนตับประมาณใช้เวลาหลักทัพจากนั้นไปอีกไม่เกินสิบสองชั่วโมงพระองค์จะดับคันทัปปริณิพันธ์เนี่ยนะสิบสองชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยนะของชีวิตหลังนั้นเหละถามว่าก็เพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเสด็จมาในที่นี้ด้วยอุตสาหะใหญ่พระองค์ไม่อาจจะปริณิพานที่อื่นหรือทําไมไม่ปริณิพานที่อื่นล่ะ ตอบว่าไม่อาจจะปรินิพพานที่อื่นก็หาไม่ได้จริงๆอ่ะพระองค์จะทำยังไงก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่ที่เสด็จมาที่นี้ด้วยเหตุผลสามประการนที่เลือกปรินิพพานที่เมืองกุสินาราเหตุผลสามประการที่ว่าจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความข้อนี้ว่าเมื่อเราตถาคตปรินิพพานเสียในที่อื่นอัจถปกปติเหตุเกิดเรื่องมหาสูตรทัศนสูตรก็จกไม่มี คือจะไม่ได้ตรัสพระสูตรหนึ่งที่สําคัญที่เกื้อกูลต่อการบรรลุของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสูตรนั้นก็คือมหาสูตรทัศนสูตรแต่เมื่อพระองค์ปรินิพานที่นครกุสินาราตลอดจนพระองค์แสดงสมบัติที่พระองค์เคยเสวยแล้วในเทวโลกและที่พระองค์เคยเสวยในมนุษสโลกประดับด้วยผานวาระสองผานวาระชนเป็นอันมากฟังธรรมของตถาคตแล้วจักทำกุศลสคัญว่าบุญกุศลเนี่น่าทำ คือรู้เลยว่าบุญที่พระองค์ได้เคยทำเนี่ยนะสมัยที่เป็นอดีตชาติทําบุญกับพระพิสุรูปหนึ่งบุญเหล่านั้นทําให้พระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจุติจากจากักรพรรดิแล้วก็เกิดในสวรรค์เป็นต้นหรือจุติจากสวรรค์มาเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิชื่อว่าสุทัศนะสัตว์ทั้งหลายก็จะรู้ว่าบุญกุศลเป็นสิ่งที่ควรทําแท้อันนี้เป็นเหตุผลข้อแรกว่าที่เลือกปรินิพานที่เมืองกุสินาราเพราะพระองค์จะได้แสดงมหาสุทัศนะสูตร อันหนึ่งทรงเห็นความข้ออื่นอีกว่าเมื่อตถาคตปรินิพานเสียในที่อื่นสุภัท t ะจักไม่ได้เข้าเฝ้าด้วยว่าสุภัทนั้นเป็นพุทธเวไนเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าสอนเท่านั้นจึงจะบรรลุได้ไม่ใช่เป็นสาวกเวไนาสาวกสอนบรรลุไม่ได้สาวกทั้งหลายไม่สามารถจะแนะนำบอกสอนให้สุภัท tha ปริภาชกคนนี้บรรลุมรรคผลได้เขาจะต้องบรรลุจากพระพุทธเจ้าอย่างเดียว แต่เมื่อพระตถาคตปรินิพพานเสียที่เมืองกุศินาราสุพัทธะนั้นน่ะจะเข้าเฝ้าถามปัญหาและที่สุดแห่งการตอบปัญหาเขาจากตั้งอยู่ในสารณะได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของเรารับกรรมาฐานแล้วจกบรรลุเป็นพระรหา์เป็นปัจฉิมสาวกต่อเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เป็นสาวกองค์สุดท้ายที่เป็นพระทหารองค์สุดท้ายต่อที่พระองค์มีพระชนอยู่เนี่ยนะอันนี้เหตุผลที่สองสำคัญมาก เหตุผลอันที่สามเนี่ยนะที่อุปการะต่อคนยุคนั้นว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อกูลไม่ใช่ในอนาคตเท่านั้นแต่ปัจจุบันด้วยก็คือโปร่งเห็นอยู่ว่าเมื่อตถาคตปรินิพานเสียในที่อื่นจะเกิดทะเละวิวาทกันยกใหญ่ในเวลาแจกพระธาตุแบ่งพระธาตุทุกคนก็อยากได้พระธาตุของพระพุทธเจ้าก็จะเข็นฆ่ากันเลือดก็จะไหลเป็นแม่น้ํำเรียกว่าเป็นแม่น้ําสายเลือดลังไหลไปเนี่ยนะ เพราะเข็นค่ากันเช่นนะ่ะถ้าพระองค์ปรินิพานที่เมืองราชครืกเนี่ยพระเจ้าชาติศัตรูไม่ยอมแบ่งพระท่าให้ใครแน่นอนหรือปรินิพานที่เมืองเหล่าใดก็ช่างอันนี้เมืองกุสินารามันเมืองเล็กกษัตริย์นี่ไม่มีอำนาจท่านคนมาขอแบ่งก็เอาแบ่งแบ่งไปเพราะอะไรเพราะว่ากลัวว่าตัวเองเจ้าตัวไม่รอดเหมือนกันแต่ก็จริงจิงก็ปากแข็งไปอย่างนั้นแหละแต่จริงจอ่ะตัวเองนี่มีกําลังไม่มากกําลังเนี่ยน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้ามาอยู่ที่นั้นเนี่ยนะอ ก็จะไม่มีการฆ่า ก, กันเหตุผลก็คือเมื่อพระองค์ปรินิพานที่นครกุสินาราโทนตพรามก็จะระงรับการวิวาทนั้นแล้วก็จะแจกพระธาตุทั้งหลายอันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าหนึ่งเมื่อพระองค์ปรินิพานที่กุสินาราจะไม่มีสงครามเพราะโทนตพรามผู้เป็นอนาคามีเนีย่ยนะจะห้ามห้ามสึกห้ามทับเนี่ยนะเหตุผลแรกนะจะได้แสดงมหาสุทัศนสูตรเป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเจริญกุศล นนะเพื่อความพ้นทุกข์รัสรุตามพระองค์อย่างที่สองสุภัฏธาจะได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายที่เหตุทันเห็นพระองค์แล้วก็ที่สี่เออขาเหตุผลที่สามจะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องของการแบ่งพระาธาตุ